จริงแม่นันอยาเอาลองให้นันอยาพูดที่เอาเข้าใจที่สุดแล้วเป็นยังไงเอาถึงใจที่สุดตอนนี้ยเอาตอนนี้เลยนะครับจวันนี้จริงค่ะเราไม่มีจริงการพูดทุกอย่างเพื่อทําให้มันมีขึ้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะเดิมแท้ของเราคือไม่มีมันจะเอาตัวมีไปทําให้เกิดความไม่มีไม่ได้เพราะเดิมมันมีของมันอย่างนั้นอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรจริงๆอ่แม่อสดหน่อยสิอแม่อสดว่าไงอันนี้ไม่มีอะไรค่ะบูกมตอนนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะบืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าพูดไปพูดมาฟาลงาาก็ได้เหมือนกัน อยู่แม่เออจับมาบอตอนนี้ไม่มีอะไรเลยว่างไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมันเอาไม้พูดสิเอาไม้ให้แม่เออกันลูกฝาลูกแม่กับลูกต่อต่อสิคือเมื่อกี้ด้วยความรู้สึกเลยว่าแม่คือคือมันไม่มีมันเลยมันเลยไม่มีไม่มีแม้กระทั่งความรู้ไปด้วยเลยครับมันไม่มีอะไรเลยครับรรยากาศมันไม่มีเลยจริง ทีิงๆมันมีมีความรู้ว่ามันไม่มีเราแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเลยมันมันไม่มีไม่มีความรู้เลยนี่ก็ไม่มีอะไรเลยถึงแม่หมายถึงไม่มีคําถามนะคะไม่มีคำถามคือในใจไม่มีอะไรด้วยใจของแม่โอ้น่ะมันรู้สึกว่างไปหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมใจว่างไปหมดเลยกับไม่มีอะไรไม่มีวมาพูดไม่มีไม่มีมันเลยไม่มีอะไรแม้กระทั่งความรู้ก็ไม่มี เออมันคือมันต้องมีมันคือมันต้องรู้รู้รู้อยู่มันไม่มีอะครับมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยแต่มันรู้มันไม่มีคือความรู้มันต้องมีอยู่ะแต่ว่ามันมันรู้ว่ามันไม่มีอะไรแต่มันมีความรู้อยู่แต่ความรู้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะแต่เป็นความรู้อยู่ว่ามันรู้ว่ามันไม่มีอะไรแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยมันมันก็มันก็ยังมันยังไม่มันไม่ถูกก็แม่แม่ของโอตอนนี้ว่างไปหมดเลย ไม่มีอรอย่ในใจเลยว่างไปหมดเลยใจว่างไปหมดเลยนี่ก็ถูกเลยนะมันมันมีสองกลุ่มครับหลวงตากลุ่มหนึ่งพวกคิดมากงั้นไม่ยอมวางรู้พวกไม่คิดมากใครบอกไม่รู้ก็เลยไม่รู้เลยก็คือแบบมันก็เลยแบ่งไปเลยมันก็สองกลุ่มไอ้กลุ่มที่รู้อย่างพวกเนี้ยพวกคิดมากเนี้ยนะมันก็จะไอ้ไอ้เดี๋ยวอ้ามามีแล้มีมีอ้าหายไปไหนแล้วมีมีมันถ้าไม่คิดว่าไม่รู้อะไรเลยก็แบบอีกแบบที่ไม่รู้ ต้องซักลูกชายนะเอ้าลูกชายพูดถูกนะต้องซักลูกชายแม่แม่ช่ซักสิเป็นไงแล้วแม่ไม่ถูกยังไงชื่อบอกแม่สิแม่ว่างไม่หมดแล้วแม่ไม่มีคำไม่แม่ปล่อยวางหมดเลยไม่มีสิ้นสงสัยเลยเออยังไงดีอะคือคือความสิ้นสงสัยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้มันก็ต้องมีตัวผู้รู้อยู่ว่ามันสิ้นสงสัยไปแล้วแต่เราไม่ได้หมายความวาเลาจะเอาตัวผู้รู้นะแต่ว่า ถ้าเกิดมันสิ้นสงสัยไปเลยแบบว่ามันไม่มีอะไรรู้เลยเนี่ยก็คือมันไปอยู่ในความไปอยู่ในอารมณ์ไปอยู่ในอารมณ์ที่คือมันไม่มีมันไปอยู่ในอารมณ์นั้นเลยว่ามันมันไม่มีอะไรเลยคือไม่เห็นตัวเราเองที่มีแต่ว่าไปอยู่ในอารมณ์คแค่แค่รู้ว่าตอนนี้เราเราไม่ได้เนี่ยใช่ใช่ครับไม่แค่รู้ก็คือ<ช>พอแค่รู้ปุ๊บก็คืออันนั้นมันสิ่งที่ถูกรู้ละช่มีตัวที่รู้อยู่ใช่คือมันมันรู้เองมันแค่รู้เองไม่รู้อะไรมันรู้ รู้เองว่ามันไม่มีอะไรไปถูกนะไปถูกนะไปไม่ถูกเลยเลยตาที่นันยาช่วยไปไม่ถูกเลยเลยตาพอแบบยังไงดีจะพูดยังไงดีอก็หมอโอ๊ตบอกว่าง่ายอะถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดถึงผููรู้เลยไม่ต้องพูดถึงความมีพูดถึงความไม่มีไปเลยอเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมเอาเอาเอาใหม้ครับไม้างหลังเ อ, เอาข้าหลังช่วยกันใหญ่แล้วเอาเอาเริ่มกันที่ไม่กลคุณแม่ไปทําให้ไม่มีเลยมันหมายไว้ว่าบคือไม่รู้เมื่อกี้คุยอะไรกันมาก่อนนะแต่ <c oughs> แต่เข้าใจว่าแม่งไปหมายตั้งหมายไว้ว่ามันต้องไม่มีแล้วก็ ไปทําให้ไม่มีแล้วแม่ก็บอกคือความเข้าใจของแม่ได้เข้าใจว่าแม่ก็บอกแม่ก็รู้นี่ว่ามันไม่มีอย่างที่โอ๊ตพูดแต่โอบอกว่าต้องรู้ไม่มีคือแม่ก็รู้แต่ว่าแม่ไม่รู้ว่าแม่ไปเป็นไม่มีเอามาให้แม่เอามาให้แม่แม่เสียงน้ะแม่เีได้โตได้โตได้อ๋เนี้ยอันจะเอาเอาเอาให้ใหม่แม่โอึงงุตถใหม่ แม่ต้องรู้ว่าแม่ไปเป็นไม่มีคือแม่คิดว่าแม่รู้ว่าแม่อะไรนะแม่แม่บอกว่าแม่แม่ก็รู้ว่าแม่ไม่มีแต่แม่ไม่รู้ว่าแม่ไปเป็นไม่มีกับกับแล้วแม่หมายแม่แม่ตั้งเป้าว่าหมายว่ามันจะไม่มีแตไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเลยออาไอ้ไอ้หมาใครไปปิดก้นวะเนี่ยไปปิดพูดใกล้หมายพูดใกล้หม่แม่แม่ได้ตั้งเป้าค่ะ แต่ม่หมายหมายในใจลึกๆคือคือพอพูดว่ามันไม่มีมันไม่มีรู้ไม่ไม่กิฟผู้ถูกรู้ผู้อะไรมันไม่มีมันไม่มีปุ๊บแม่ก็ทำให้มีทําไม่มีเออหมายความว่าแม่แม่เป็นทำให้มันแม่ไปทำให้มันไม่มีแล้วแม่ไม่เชื่อว่ามันไม่มีโอ้โข้าใจน่าจะชช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปแช่ มันจะกลับไปแช่อย่างเก่าเองคือที่หมอเขพูดเนี่ยมันคือความที่เราเนี่ยมีปัญญารู้แจ้งแก่ใจว่าตัวตนของเราไม่มีเราจึงไม่ต้องไปกระยาบกระทําอะไรเพื่อให้ตัวเราบรรลุอะไรตัวเราถึงอะไรตัวเราได้อะไรตัวเราเป็นอะไรถ้ายังมีการพยายามที่จะให้ตัวเราไปถึงอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรมันก็เท่ากับในความรู้สึกของเรามันหลงอยู่ตลอดเวลาว่า เมื่อเราเนี่ยมีตัวตนเราจะไปทําเพื่อตัวเราอย่างเงี้ยต่อให้เราเพียรให้ตายเน่ยมันมันเพียรแบบเท็กเขาเรียกว่าเพียรแบบอาวิชาหรือเพียรแบบโง่โง่แต่เนี้ยแต่อย่างของโยมแม่วะเนี่ยก็คือว่าโยมแม่วะนี่คือตัวเราว่างไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าเวงว่างไม่หมดเลยว่างเปล่าหมดเราว่างเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมันสบายไปหมดเลยมันว่างไปหมดเลย แต่มันมีแต่ความว่างแต่มันไม่มีความรู้สึกว่ามีตัวเราว่างแต่ค็ไม่โอ้เนี่ยคือมีความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ยว่างแต่ความจริงอะ่ะมันมีแต่อาการของความว่างมีแต่สภาวะของความว่างแต่ไม่มีตัวเราเนี่ย ร, sure. ร, ร, ร, รือว่างไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยว่างแต่ถ้ามันมีแต่ความว่างไม่รู้สึกว่ามีตัวเราว่างเน่ยเอออย่างนี้ไม่มีอาวิชชา แล้วก็ไม่แช่เพราะไม่มีไม่มีความรู้สึกก็มีตัวเราตัวเราไปแช่อยู่ในความว่างไม่มีทําให้เราเจ็บป่วยเลยก็เนั้นถ้ามันต้องมีตัวเราไปแช่ในความว่างจะทําให้ป่วยป่วยคือเกล็ดเลือดย่อเริ่มจะต่ําแล้วก็เป็นเป็นไข้ลุลุ่มไม่ทราบสาเหตุเริ่มเริ่มเสียงหายไปเสียงนําคอเริ่มจะหายไปแหบแห้งเด้อเดแม่อุดเข้าใจไหมเนี่ยคือตอนนี้เย้แม่อุดมีมีตัวเรารู้สึกว่างไปหมดเลยแล้วหมดสิ้นสงสัยไม่มีอะไรตัวเราเนี่ยว่างเราอว่าง แต่ทำยังไงแมวท่ออานก็บอกตัวเราเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีตัวเราร่างกายเราเป็นของเสื่อมเป็นของแตกดับทุกประารมนุในร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่คงที่เป็นตัวเราไม่มีสองส่วนจิตใจคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งปรุงแต่งเกิดดับตลอดเวลาตัวตนคงที่ไม่มีสามเนี่ยธรรมชาติของรู้ที่มีแต่ความว่างไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างว่างจากตัวตนไปบอกความว่างนี่จะผิด คือว่าจากตัวตนไม่มีตัวตนมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีมันมีแค่สามอย่างสรุปแล้วคือร่างกายจิตใจแล้วก็ธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยไม่มีตัวตนเลยไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราไอ้ที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี้ยจะเป็นขันห้าที่มีรูปร่างยืนเดินนอนนั่งนั่งดื่มกินทํำในทำอะไรทำกิจการงานได้พูดได้คิดอะไรูกมีอารมณ์อะไรได้มีความรู้สึกนึคิดอารมณ์อะไรต่างๆได้ ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวขันห้าเป็นตัวสมมุติเป็นตัวตายตัวเกิดตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายมันไม่ใช่ตัวแท้จริงไม่ใช่เป็นตัวตนของเราที่แท้จริงเป็นตัวสมมติเป็นตัวไม่เที่ยงเป็นตัวชั่วข่าวก็เลยเรียกตัวสมมุติตัวตนจริงๆไม่มีดังนั้นความรู้สึกว่างมันมีทีแมว่าเราสึกมันว่างหมดเลยไม่มีอะไรแต่มันไม่มันไปมดเกินไม้อันคือเราอะรู้สึกว่าง ตัวเรารู้สึกว่างตอนนี้เรารู้สึกว่างไปหมดเลยตัวเรารู้สึกว่างมันมีแต่ความว่างแต่ไม่มีตัวเรารู้สึกว่างถ้ามีตัวเราสึกว่ามันจะไม่ได้ความว่างเหมือนน้าปลาแล้วก็มีตัวเราแต่เป็นปลาแช่น้ําปลาเอาไปทอดได้แต่เนี้ยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจหมายความเม่อให้ให้เรามีแต่เรามีความรู้สึกไม่ใช่เราหมายความว่าให้รู้ว่าว่างใช่ไหมแต่เราไม่มีตัวเราใช่ใช่ไม่มีตัวเราว่างไม่มีตัวเราว่างแต่เราว่าง อ่พูดไปพูดมาวนกลับอีกแล้วเป็นเราอยู่ฮะไม่ไ uh, ม okay, ่ใช่ครับใช่ไม่รู้ว่าว่างแค่น네ั้นเองแต่ไม่มีตัวเราว่างเราแค่มองว่ารู้ว่าว่างใช่ไหมเอออันนี้ใช่เออพูดไปพูดมานี่ยไม่กวนกลับอย่าไปหมายตรงว่าง โยมแม้ว่าเป็นหมายตรงว่างที่พูดทั้งหมดนี่คือต้องการใ้ความไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนสิ้นความหลงว่ามีตัวเรามีตัวตนของเราต้องการแค่เ น, นี้ยที่สอนมาทั้งหมดเนีย่ยดี๋ยวไปหมายตรงว่างแ้ว่าใ น, นหมายผิดคือไปหมายตรงวาง่างก็โยมแมวก็เลยพยายามว่างั้นเอาตัวเราออกไปเหลือแต่ความว่างเนี่ยแม้่าพูดปุ๊บจับทางได้เลยคือแม้ว่าใพยายามเจ้าตัวเราออกไปแล้วก็หมายว่างไว้เจ้าความว่าง แต่ไม่ใช่หมายผิดเดบุตตจ้าพระอาจานย์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมอรวมทั้งหลวงตาเนี่ยให้สิ้นความหลงว่ามีเรามีตัวเราเป็นตัวเป็นตนมีตัวตนของเราสิ้นหลงแค่นี้เองเนี่ยต้อสิ้นหลงแค่เนี้ยก็จะสิ้นเอาวิชาแล้วก็สิ้นหมดเลยทั้งกระบวนการเลยเนี้ยสิ้นอาวิชาก็สิ้นสังขารเนี่ยสิ้นอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารก็สิ้นหมดเลยสิ้นสังขารสิ้นวิญญาณเนี่ยแล้วก็สิ้นหมดเลยเนี่ย สิ้นสังขารสิ้นวิญญาณสิ้นนามรูปสิ้นจรรย์ตนาเออสิ้นสังขารก็ไออสิ้นสิ้นอวิชชาก็สังขารก็ดับไปสังขารดับไปวิญญาณก็ดับไปวิญญาณดับไปนามรูปก็ดับไปนามรูปดับไปก็เออจรย์ตนาคือจรย์ตนาหกเต่าจมูงลิ้นกายใจก็จะดับไปอภาษาก็ดับไปเวทนาก็ดับไปตัณหาก็จะดับไปอุปทานก็จะดับไปพบชาติชลามรณะทุกโสกปริเตวะทุกขาโทมานุปายาสะ ทุกโศกเศร้าเสียใจครับแขนใจก็จะดับบทพบแจก็จะดับหมดสิ้นเลยเอาวิชาตัวเดียวคือสิ้นความหลงว่ามีตัวเรามีเรามีตัวเราหรือมีตัวตนของเราหรือมีตัวเราอยู่ในในร่างของเราสิ้นความหลงแค่เนี้ยไม่ไป็หมายว่าเดี๋ยวจะแม่อเอ้ยหมายว่าเออมีอะไรมันจะแต่ความว่างแล้วตัวเราจากความว่างอย่างนี้ไปหมายความว่างไว้อันนี้ผิดผิ ด, ดายคือใจเนี่ยต้อง สิ้นความรู้สึกว่ามีตัวเรามีเรามีตัวเร า, ม, เรามีตัวตนของเราหรือมีตัวเราอยู่ในร่างของเราเนี่ยสิ้นแค่นี้เองเอาวิชาก็ดับหมดเข้าใจเข้าใจจ้ะค่ะไว้ให้ให้สิ้นไม่มีตัวเราเลยพี่นาเขาไปร่างกายก็ไม่มีตัวตนที่เที่ยงเอไอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตใจก็ไม่มีตัวตนที่เที่ยง ขาดรู้ก็ไม่มีตัวตนตัวตนของเราจริงๆไม่มีพิจารณาเข้าไปอย่าไปเอาความว่าง้านคะคะที่เราเคยได้ยินยตามที่ครบาอาจารย์เขาสอนว่ามันมีสิ้นยึดกับสิ้นตัวเราเนี่ยมันคือสิ้ น, ส, นสิ้นยึดคือเท่าที่เข้าใคือสิ้นยึดอุปท า, านขันห้า ที่เมื่อกี้หนาบอกแม่ว่าสิ้นความมีตัวเราทีนี้อ่ามันสิ้นตัวไหนก่อนไหมคะหรือว่าเพราะว่ามันคือถึงความมีตัวเรามันความมีตัวเรามันก็เป็นอ่ามันก็เป็นสังขารคือตัวเราเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันมีตัวเราเป็นสังขารถ้าถ้าในกรณีที่ว่าสิ้นยึดสังขาร มันไม่ต้องไปสนใจว่ามีตัวเรามันแค่แค่สิ้นยึดเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยถ้ามันสิ้นความรู้สึกว่ามีตัวเราแล้วจะมีใครไปยึดถ้ามันสิ้นความรู้สึกว่ามีตัวเรามีตัวตนของเราแล้วจะมีตัวเราไปยึดอะไรไั้มมันยึดตัวเราก่อน ก็ในใจมันไม่มีความรู้สึกของมีตัวเราแล้วจะมีตัวเราไปยึดอะไรไหมอ๋มอจริงนะแม่ในคนคิดมากคิดละเอียดหลายชั้นเลยเดี <c oughs> ๋ยวดูซิดูซิอย่างนี้คําถามนี้มันก็เท่ากับว่าถามว่าไก่กับไข่ได้ใข่เกิดก่อนกันเ <c oughs> มื่อมันสิ้นความเป็นตัวเราความสิ้นยึดมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมเ <c oughs> มื่อมันสิ้นยึดมันก็เท่ากับไม่มีตัวเราไปยึดมันก็เกิดเราพร้อมกันเนี่ ย, ยนี่ก็เท่ากับว่าไก่กับไข่อ่ะใข่เกิดก่อนกัน เออจะถามว่าความสิ้นตัวเรากับความสิ้นยึดอะใครเกิดก่อนกันพราะก็ต้องเกิดพร้อมกันแน่ๆถ้เาเราบอกว่าสิ้นยึดแต่ยังมีตัวเราอยู่มันจะเสี่ย ง, งองถ้าสิ้นตัวเรามันก็จะสิ้นยึดแต่เพราะไม่มีตัวเราไปยึดเดี๋ยวเต้งงตรงไหนได้ถ้าไงอย่างเงี้ยที่ว่าตัวตัวเรามันเป็นอุบ อ่าตัวเราเป็นสังขารขันถูกไหมคะมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นตัวเรามันก็เป็นสังขารงั้นได้เลยคิดว่าการสิ้นยึดมันน่าจะ <c oughs> คื อ, ค, อคือมันเป็นสังยึดหรือว่ามันเป็นวงแต่งยึดอ่าหมอโอ้ช่วยเราหน่อยดิเอ๊ะ อาจจะไร่ได้เต้มาฟัตงตอนแรกก็ไดครับตอนแรกที่หลวงตาบอกว่ามันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกอะครับเหมือนกับว่าไก่กับไข่มันไม่มีไก่ไม่มีไข่ตั้งแต่แรกอะพอเริ่มต้นว่ามีเราก็เร้่มพยายามทําความไม่มีเกิดขึ้นคือถ้ามันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกมันไม่มีผู้ยึดอยู่แล้วอะไม่ต้องไปทําให้มันสิ้นผู้ยึดหรือไม่ยึดมันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องเอาตัวที่มันไม่มีแล้วทำให้มันมีแล้วก็ไปทําให้มันไม่มีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ คือมันเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเลยว่ามันก็ไม่มีอยู่แล้วมันไม่ต้องไปหาทางทําจากความไม่มีให้มันมีแล้วก็เป็นไม่มีอะไร <c oughs> คือช่วงแรกที่หลวงตาเทศให้ผมฟังตอนแรกอะลูตอนนั้นเตยเตยยัยงไม่มาอ้อยังไม่มาอธิบายใหน่อยอ่ะเตยยังไม่มาอ่ะตัทวนหน่อยรีวิวจับหมือหมอกอก็ยังะะไม่ได้มาเหมือนกันอ่ารีวิวจับเหมนกัยังไม่ได้มาข้างหลังเนี่ย ค, คือที่หลวงตาเล่าให้ฟังก็คือคือตัวผมเองเนี่ยเข้าใจผิดครับเข้าใจผิดว่า มันมีตัวเราที่จะต้องพาเดินทางไปสู่ความไม่มีตัวเราแต่ว่าจีิหลวงตาพยายามอธิบายว่าจริงๆมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วมันมีแต่สังขารที่ปรุงแต่งกับสังขารที่ไม่ปรุงแต่งที่มันมีอยู่แล้วมันไม่มีเราอยู่แล้วตั้งแต่ต้นคือเริ่มต้นมันไม่มีอยู่แล้วแล้วทําไมคุณจะต้องไปมั่งทําให้มันเอาความที่มันไม่มีอยู่แล้วไปทําให้มันไม่มีอะไรเงี้ยครับมันไก่กับไข่มันวนคือผมก็อธิบายละเอียดได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าในความที่หลวงตาพูดก็คือว่า มันไม่มีเริ่มต้นมันก็ไม่มีอยู่แล้วไม่มีตัวเราแล้วสังขารปุงแต่งสังขารไม่ปุงแต่งไม่มีความเป็นตัวเราตั้งแต่ต้นมันเกิดมาจากธรรมชาติสามสิ่งร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะครับร่างกายกายเนื้อเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเราสิ่งที่นึกคิดถูุกตึกตองปุงแต่งจิตใจอะไรเงี้ยจริงจริงมันก็ไม่ใช่ตัวเราก็เป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็อันที่สามก็คือว่าอตัวรู้หรือธาตุรู้ที่มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเป็นเราอยู่แล้ว ธรรมชาติสามอย่างเนี่ยมีอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับไม่มีความเป็นเราอยู่แล้วโดยพื้นของมันเลยไม่มีความเป็นเราอยู่แล้วแต่ด้วยอวิชาเนี่ยทำให้เข้าใจผิดว่ามันมีเราอยู่เพราะฉะนั้นเรากำลังจะทำความที่มันไม่มีอยู่แล้วให้มันไม่มีอีกเนี่ยก็เป็นความเข้าใจผิดที่เราเข้าใจผิดของเราเองดันั้นเราไม่ต้องไปแก้ตรงนั้นว่าทายังไงเลาถึงจะไม่มีเพราะมันไม่มีอยู่แล้วครับทาตาทตาเอาอยัางไงเอาเอช่วยกันนะเดี๋ยว หมอปันก็จะไปญี่ปุ่นแล้วจะได้ไม่ไม่ไมพา ง, งงกลับไปญี่ปุ่นยังไงเข้าใจเข้เาใจเขาเ้เาใจรีไวล์กลับเลยเที่เข้าใจไงไงก็เข้าใจว่ า, วามันไม่มีอะไรตั้งแต่ตน้นมันตัวเราความรู้สึกอะไรทั้งหมดเนี่ยมันอ่ามันเกิดมาจากธาตุทั้งหมดนะครับมันไม่มีอะไรตั้งตนนแต่แต้นเราไม่ต้องไ ม, ไม่ต้อง ไม่ได้ต้องทําอะไรไม่ต้องพาไม่ไม่ได้มีพาตัวเราไปไหนอะไรงไงเพราะมันไม่มีตั้งแต่ต้นมันอ่ไม่มีอะไรอะค่ะคือมันไม่มีอะไรแต่ที่ที่เราพยายามทําเพราะว่าเรามีอวิชามาแล้วเราคิดว่าเนี่ยมันมีแล้วแล้วเราก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะกําจัดความที่เราคิดว่ามันมีซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีมันก็เหมือนไล่เงาตัวเองประมาณนั้นคนะคือจริงๆมัน มันไม่มีอะไรให้ต้องต้องทําอะไรเพราะมันไม่มีอะไรในตั้งแต่ต้นแต่ด้วยอย่างที่บอกว่ากางความโง่แล้วก็คิดว่าเชื่อว่ามันมีตัวเราแล้วต้องพยายามกําจัดตัวเราอ่าจะต้องหาวิธียังไงเราจะต้องทํายังไงเพื่อที่จะไปบรรลุอะไรมีเส้นทางยังไงแต่จริงๆเพราะมันไม่มีอะไรมันก็ไม่มีทั้งเส้นทางไม่มีวิธีการไม่มี ไม่มีอนาคตที่จะต้องไม่มีหมายไม่มีเป้าอะไรที่จะไปตรงไหนยังไงแต่ว่าทุกคนก็ไม่ในแง่หนึ่งแง่ใดก็มันก็มันมีความมีขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะแก้กความมีซึ่งมันไม่มีตรงนั้นก็หลงผิดว่ามันยังมีอยู่ก็เลยเป็นภาระที่จะ ยิ้นลนวนเวียนจะ ก, กําจัดอะไรไปทําอะไรเพื่ออะไรอะ่ะค่ะข้อการนิดเดียวกับแค่ได้ยินหลวงตาพูดว่านิพพานก็ปล่อยนิพพานให้มันเป็นไปอย่างนั้นทั้งนั้นอวิชชาก็ปล่อยอวิชชาให้มันเป็นไปอย่างนั้นไม่ต้องไปทําให้มันไม่มีอวิชชาก็คือจะเป็นอย่างนั้นก็เท่ากับไม่มีอวิชชาแล้ว <laughs> คือบางทีผมผมกลัวว่าถ้าปล่อยวิชาเป็นไปอย่างนั้นนิพพานจะปล่อยเป็นไปนปิพพานอย่างนั้นเท่ากับคุณด้เดียววิชาแล้วคือผมกลัวว่าเข้าใจว่ารเรากลายเป็นว่าเรามีความไม่รู้ไงครับเราเลยจะไปทําลายความไม่รู้จริงๆคือกลายเป็นว่าไปสร้างความไม่รู้มมขึ้นมาสมมติขึ้นมาสมุติก็อ่างขึ้นมามันไปเมคเมคมันขึ้นมาก็เลยไม่ไม่รู้ไมาถูกไปเขาโอกาสเขาลงตา คือยอมว่ามันอยู่ตรงตรงัวสุดท้ายที่พอหลวงตา ม, มาเปลี่ยนคำพูดจากจิตเดิมแท้ซึ่งแต่เดิมจะบอกว่าเป็นความรู้เป็นความว่างพอหลวงตา ม, มาเปลี่ยนแทนเป็นมันไม่มีตัวตนพอไม่มีตัวตนเนี่ยมันก็มามาถึงใจว่ามันไม่มีตัวตนตั้งแต่ต้นมันไม่มีตัวตนเพราะนั้นการกระทำทุกอย่างเพื่อจะไปทำให้มันมีตัวตนมันก็คือผิดหมดเพราะมันไม่มีตัวตนของมันตั้งแต่ต้น เพรานั้นพอเรากลับไมค์ขึ้นมานี่เพื่อจะถามเนี่ยคือเริ่มจะทําอะไรให้มันกลายเป็นมีตัวตนขึ้นมาเพราะนั้นแค่แค่เข้าใจสภาพมันว่ามันไม่มีตั้งแต่ต้นมันก็จะอยู่กับมันมันคือมันมันก็จะเพียนว่า อ, อ๋อมันไม่มีตัวตนตัวเราคือตัวนี้คือตัวไม่มีตัวตนอย่าไปทําให้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวตนอีกถูกไหมครับหลวงตา เพราะนั้นคําว่าว่างเนี่ยทําให้ไปทําให้คนอื่นเข้าใจเป็นความว่างและโยมก็ไปหมายตรงนั้นจริงๆว่ารู้ที่แท้มันจะเงียบสงดัดแล้วก็ว่างอย่างนั้นแล้วทุกอย่างมันก็จะเกิดยุกๆิกอยู่ในความว่างเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวเลยในใจกับข้างนอกนี่มันว่างแล้วข้างในมันก็ยุกยิกทั้งวันอย่างเนี้ยมันเลยไปหมายตรงนั้นว่าอยู่กับตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องปรับตัวเองใหม่ว่า มันไม่มีตัวตนมันแค่รู้ก็ต้องย้ำกับตัวเองอยู่อย่างนี้เจ้าข่าหลวงจาเพราะนั้นโยมจะก็จะไม่คุยอะไรว่าว่างแล้วต่อไปเพราะเดี๋ยวเขาจะไปว่างเขาจะไปกาหนดตัวเขาอยู่ในว่างอย่างนั้นแล้วก็ไปหมายว่างไว้จริงๆเพราะนั้นหลายคนที่มาถามนี่ก็บอกว่าพบแล้วมันว่างนะมันว่างนะเอปรากฏไม่ใช่ปรากฏไม่ใช่พอมไปหมายอย่างนั้น พออ่านแล้วมันก็ไปหมายแต่ถ้าหลวงตาพูดว่าจิตเดิมแท้คือเป็นความรู้ที่ไม่มีตัวตนมันมันกระแทกใจจริงๆว่ามันไม่มีตัวตนแล้วมึงอยู่ตรงไหนมึงไปอยู่ ม, มีตัวตนทำไมไอ้ตัวนี้คือตัวจริงที่จะต้องอยู่มันก็เหมือนกับมีมือมาเขกหัวทีนึงแล้วก็กลับกลับไปสูถูทางถูกกับหลวงตาค่ะพระอาจรย์ แล้วอย่าหลงไปทําลายความมีตัวตนเพราะหลงว่ามีตัวตนหนูหรือผมยังมียังมีความรู้สึกว่า ม, มีตัวตนอย่างไงเลยยังมีรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่มีตัวตนอยู่ในหนูหรือผมจะทำยังไงผมนี่จะทำลายความเป็นตัวตนของหนูได้แล้วมันจะทำลายได้ไหมอย่างเงี้ยก็เราไปสร้างความรู้สึกว่าเรามีตัวตนแล้วเราก็ไปหาวิธีมากบจัด ความที่หนูหลงว่าหนูมีตัวตนเนี่ยแล้วมันจะมันจะกําจัดได้ไหมเนี่ย mm hmm. รุตาเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าเนี่ยเรามาอยู่ในบริเวณที่การปฏิบัติธรรมแต่ละที่ mm hmm. กลางวันเดินเดินไปมาได้ทั่วเลยแต่กลางคืนกลัวผีพูดอยู่บ่อยมากเลยนะกลางวันน่ะอยู่ในที่ปฏิบัติธรรมไปมาทั่วเลยตกกลางคืนเนี่ยผีมีตัวตนแล้วแต่กลางวานนันผีไม่มีเดินไปทั่วหมด mm hmm. พอตกกลางคืนผีมีตัวตน เพราะผีมีตัวตนตัวนี้ยหาวิธีเนี่ยที่จะกําจัดผีที่ไม่ให้กลัวผีพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทแต่ไม่ได้มีปัญญามาเข้าใจว่าผีมันไม่มีตัวตนตั้งแต่กลางวันแล้วมากลางคืนเราไปปรุงว่าผีมันมีตัวตนพอเราไปปรุงว่าผีมีตัวตนเราก็ไปหาวิธีมากําจัดผีอพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อไงแบบเดียวกันเลยเมื่อเราไม่รู้ว่าไอความมีตัวตนเกิดจากเราเนี่ยมันสร้าง ความรู้สึกที่ผิดผิดา้าแต่แรกความหลงผิดผิดมาแต่แรกเราก็เลยมาหากรรมวิธีในการปฏิบัติทุกวิธีทางเพื่อจะทําลายความรู้สึกเป็นตัวตนในใจเราให้มันหมดสิ้นไปก็เปรียบเหมือนกับว่าเราไม่เข้าใจว่าผีเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองจากใจของเราแล้วเราก็ไปหาหมอผีมาหากำวิธีหากรวิธีวิธีปฏิบัติทุกวิธีมากาจัดผีแทนที่เราจะมีปัญญาว่า ผีมันไม่มีตัวตั้งแต่แรกแล้วเพราะกลางวันก็ไม่ได้มีผีแล้วก็แต่พอตกกลางคืนเราไปปรุงขึ้นมาเองแล้วเราไปหาวิธีวิธีปฏิบัติทุกวิธีในโลกเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์หาวิธีมาปฏิบัติทุกวิธีเพื่อมากําจัดความรู้สึกเป็นตัวตนในใจของเราเนี่ยผมยังรู้สึกผมเป็นตัวตนอยู่เลยหนูยังรู้สึกหนูเป็นตัวตนก็แบบเดียวกับไปหาวิธีมากําจัดผีที่เราสร้างขึ้นมาว่าผีมีตัวตนแทนที่จะเราจะจะมีปัญญาว่า เออผีมันเกิดมาจากเราสร้างขึ้นมาตัวตนมันไม่มีกลางวันก็ไม่เห็นมีเลยแล้วกลางคืนก็ไม่เห็นมีเราเราก็ไปถามคนทุกคนว่าเคยเห็นผีไหมในบริเวณที่ปฏิบัติธรรมไม่มีใครเคยเห็นตั้งแต่เด็กเกิดมาจนโตเคเห็นผีไหมไม่เคยเห็นผีอา้าวแล้วทําไมบอกว่ามันมีผีละ่ะเคยดูหนังผีมาแล้วลองไปถามทุกคนแต่ละคนว่าผีมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรทุกคนเน่ะ เขาบอกว่าผีมันคงมีหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้ผีใครผีมันเลยแล้วแต่ใครดูหนังฝรั่งดูหนังไทยดูหนังแขกผีก็จะมีหน้าตาไปตามที่ดูมาเห็นไหมแสดงว่ามันเป็นผีที่ปรุงกันขึ้นมาในใจของตัวเองดังนั้นเวลาความปรุงเป็นตัวตนของตัวเองขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะปรุงความเป็นตัวตนของตัวเองอ่ะขึ้นมาไม่เหมือนกันแต่ละคนปรุงความเป็นผีขึ้นมาไม่เหมือนกันแล้วใครจะดูหนังผีหนังผีฝรั่งผีไทยผีแขกผีอะไรกันเลย มันก็สร้างผีมาไม่เหมือนกันแทนที่จะมีปัญญาเห็นว่าตัวตนเนี่ยมันไม่มีหล้วมันมีแต่ความหลงผิดไปปรุงขึ้นมาว่ามันมีผีมันไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกไปปรุงว่ามันมีผีเป็นตัวเป็นตนก็เลยไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปหาวัดวาลาไปหาที่ไปหากรรมวิธีในการปฏิบัติเพื่อทำลายความเป็นตนเพื่อมาทาลายผีแทนที่จะมีปัญญาเข้าใจว่าผีมันเกิดจาก ความปรุงขึ้นมาแต่แต่พีไม่มีตัวตนแล้วเราจะทำอะไรให้ตัวเราไปเป็นอะไรไปได้อะไรไปถึงอะไรไปบรรลุอะไรกับตัวเราไม่มีเนี่ยถ้ามันเข้าใจกันอย่างเงี้ยมันก็กลับบ้านเลยบ้านใครบ้านมันอันนีทําให้ทําให้นึกถึงพี่ อ, อตาสอน อ, อย่างกายเรามีกายมีจิตใช่ไหมฮะยึดกายยึดจิตความยึดในจิต ว่าอย่างความเป็นตัวเราเนี่ยมันก็ยึดเราทั้งกายมีทั้งกายนี้ทั้งใจนี้เป็นเราเนี่ยมีแต่ทีนี้พอพอพูดถึงกายเนี่ยมันดูเหมือนมันง่ายกว่าอย่างที่หลวงตาบอกมันมีกรรมวิธีคือเห็นมันมันดูได้มันว่าคนนี้เกิดตายที่นี่เน่าเปื่อยพังมันเหมือนมันมันมีกรรมวิธีหรือมีอะไรที่ชัดเจนที่ให้เห็นว่ากายเนี่ยมันไม่มีแล้วมันได้ว่ามันเป็นความเคยชินของคนเราที่มันมันจะต้องทําอะไรสักอย่าง จะทําก็เลยคิดว่าคือคืกายเนี่ยมันโอเคเราไปนั่งดูศพหรือว่าพิจารณาใช่ไมันมันมันมันมันเหมือนมันเห็นได้ด้วยว่ามันไม่มีจริงๆนะกายแต่พอพอพอเป็นถึงใจหรือความไม่มีตัวตนเนี่ยไม่ว่าทุกคนก็พยายามในในกรณีเดียวกันเทียบเคียงกันมันมันต้องมีพยายามหากรรมวิธีอะไรเหมือนกับเราพิจารณากายอะก็เลย ใจจับพยานว่าไม่มีตัวตนมันไม่มีมันก็เลยเรียกว่ามันยากกว่าตรงที่มันแล้วก็พยายามกรรมวิธีซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีกรรมวิธีเพราะว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกไอ้ความยึดเป็นตัวเราเนี้ยค่ะมันอันนี้แค่แค่คิดดูออกท่านเมืองกายมันถึงมันถึงเห็นได้แต่แต่พอมันเป็นตัวเราที่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยมันก็เลย ยาขวาแล้วก็แค่ตาเขาพยายามบอก็มันไม่มีตั้งแต่ต้นทุกคนก็ไิดว่าเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะเข้าใจว่ามันไม่มีตั้งแต่ต้นแต่พอมันยังก็มันยังมีอยู่ก็เลยทีนี้ก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วก็ต้องดิ้นลนหาทางให้ทํายังไงถึงมันจะไม่มีแบบมันไม่มีคือด้วยความที่ทุกคนก็มีวิชาไม่กเดียวเราก็อยากที่จะไม่มีตัวตนอย่างที่บอกว่าเออถ้ามันไม่มีตัวตนแล้วมันก็เลิกแล้วจบปัญหาทั้งๆที่มันไม่มีแต่แรกแต่มัน คนแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาเชื่อเขามันมีทอนท้ออย่างเงี้ยแล้วมันจะยังไงอะค่ะมันก็เลยยักยัยกัยกยกันแบบเป็นอย่างนี้อยู่อไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าครับทําหมอเอาไงว่าปันเอาคือคือคือสัมมาทิฏฐิก็คือจุดเริ่มคือเริ่มเริ่มต้นรู้ว่าเราไม่มีใช่ไหมคะ ทีนี้ถ้าทุกอย่างที่เห็นว่ามีเห็นว่าเคลื่อนไหวได้เห็นว่าเปลี่ยนแปลงได้เห็นว่าให้คําจํากัดความได้เห็นว่าเนี่ยค่ะให้มองว่ามันเป็นของปรุงแต่งทั้งหมดเลยพอเรามองแบบนี้บ่อยๆค่ะเรามองพอเราพอเราเห็นว่ามันไม่ใช่เราเราไม่เข้าไปยึดเราก็จะไม่มีตัวตน ณนะวินาทีนั้นไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าอาการอะไรก็ตามอารมณ์อะไรก็ตามยุกยิกยุกยิกอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นค่ะของพวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวให้คาจากัดความได้บอกคนนู้นคนนี้ได้สิ่งพวกนี้เป็นของปรุงแต่งทั้งหมดนี่ไม่ใช่เราพอเราเห็น แล้วเราเข้าใจแล้วว่าเราไม่มีสิ่งพวกนี้ไม่ใช่เราเราก็จะไม่เข้าไปยึดมันเมื่อเราไม่ยึดมันณวินาทีนั้นเราจะไม่มีตัวตนของทุกอย่างมีอยู่แต่ไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราไม่มี พ อ, พอพอได้ไหมฮะหมอฟานก็เหมือนกับพูดกลับไปอีกด้านหนึ่งว่าถ้าเราไม่ยึดความเป็นตัวตนก็ไม่มีเบนเต้ต้องการคำตอบตรงนี้ทําทุกอย่างไม่มีใครเข้าไปยึดไม่มีขนาดจิตนั้นๆน่ะทุกขนาดจิตถ้าไม่มีผู้ยึดก็จะไม่มีตัวตนนั้นถ้าทุกข์ขณะปัจจุบันเนี่ยไม่มีผู้ยึดแม้แต่เป็นความว่าง ว่าไม่หมดเลยอย่างแม่อุดว่างหมดเนี่ยไม่มีผู้ยึดความว่าตัวตนก็ไม่มีจึงไม่ต้องคิดทำลายตัวตนมันก็เหมือนกับว่าไก่กับไข่ถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีผู้ยึดถ้าไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีตัวตนถามว่าระหว่างจะปฏิบัติธรรมโดยไม่มีผู้ยึดหรือปฏิบัติธรรมโดยไม่มีตัวตน เหมือนกับเหมือนไก่กับไข่อ่ ะ, ะถ้าไม่มีไก่ก็คงไม่มีไข่ถ้าเราแต่แรกไม่มีไข่มา ก, ก็ไม่มีไก่อะไรก็ได้ในใจของท่านถ้าท่านไม่มีตัวตนท่านก็ไม่มีผู้ยึดถ้าทุกขณะปัจจุบันไม่มีผู้ยึดก็ไม่มีตัวตน